ติกาปฏิมานัตะว่าด้วยมานัต์เพื่ออาบัตสามตัวท่านพระอุทายีนั้นอยู่ปริวาดแล้วบอกแกภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไวห้าวัน กระผมนั้นขอปริวาทหวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้าวันกับสงศงได้ให้ปริวาทหวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้าวันแก่กระผมแล้วกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาทต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้